ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่หนึ่งรโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่หนึ่งรให้คติธรรมว่าสากรฉายะปัญญาเวทิตต บ, บา ปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาคนที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าการจะรู้ได้ด้วยผู้ใดท่านผู้ใดมีปัญญาต้องอาศัยการสนทนาหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านผู้ใดก็ตามผู้ที่จะเฉลียวฉลาดเราก็ฟังจากแนวความคิดของท่านแต่ละคนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการสนทนาพาทีน เป็นเครื่องบ่งบอกถึงเชาวหรือปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะฉะนั้นในเรื่องประชมุมเรื่องใดข้อตามพอก่อนที่เราจะพูดละกันที่เราจะให้แนวความคิดหรือว่าแสดงเหตุผลเราต้องรอบคอบไม่ใช่พูดเลื่อยเปลยน้ําท่วมท่งไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องมีจุดยืนจุดที่เราจะต้องพูด เพราะว่าหมู่พวกเพื่อนที่ฟังอยู่ในวงสนทนาเขาจะรู้ได้ว่าเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบในการพูดในการให้แนวความคิดในชุมชนและสังคมในกลุ่มของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วหมู่ที่พวกเพื่อนที่ฟังหรือหนุ่กลุ่มสนทนาหรือกลุ่มประชุม พอพูดให้ฟังเราก็รู้ได้ว่าหัวหน้าของเราหรือว่าผู้ที่กลุ่มที่สนทนาของเรามีความรอบครอบมากน้อยแค่ไหนอันนีค้คือเป็นการบง่งบอกความรู้สติปัญญาในขณะที่ได้สนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะนั้นขอให้พวกเราการที่จะเข้าไปประชุมสนทนาและแสดงความคิดเห็น ต้องตั้งใจให้อยู่ในสมาธิพอสมควรไม่ใช่ว่าจะพูดจะเปะสะปะไปเรื่อยเผอเผลอยังกินของมืนเมาเข้าไปพูดในที่ไปชมอีกเสียการเสียงานทั้งหมดทำให้คนอื่นลูกน้องบริวารดูถูกเราได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสำรวมระวังด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายทั้งปวงทั่วสากลโลกคอยมาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจทุกทุกท่านทุ ก, ท, ก, ท, กทุกคนด้วยเธอ